เพราะความนี้ส่งมาให้พวกลูกศิษย์ที่มีความคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการรับประานอาหารจึงได้รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับในทางคำสอนของพุท ธ, ธะไว้ในเบื้องต้นดังนี้นมาต้องการให้ลองจินตนาการดู ก, ก่อนลองจินตนาการถึงโลกใบนีโ้โลกใบที่เราอยู่นี่แหละ ว่าทุกคนบนโลกนี้เลยทุกคนเลยนับเป็นผู้ที่นับถือคำสอนของพุท ธ, ธทั้งหมดเลยนับถือคาสอนของพุท ธ, ธทั้งหมดสามารถที่ปฏิบัติตามได้ตามฐานะของตนของตนเช่นดาคนที่เป็นพระเป็นภิกษุก็ปฏิบัติอย่างดีอย่างชอบตามศีลเราก็จะไม่ได้ยินข่าวเรื่องพระมาทำไม่ดีตามหน้าหนังสือพิมพ์เราจะไม่มี พระภิกษุทุกรูปนี้เขาปฏิบัติดีหมดเลยาจะมีก็แสดงว่าเป็นการใส่ร้ายปายสีทีนี้ไม่ใช่แค่พระสงฆ์เท่านี้เอายังรวมถึงพระราชาด้วยแต่พระราชาก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหมดเลยคนเป็นกรรวะก็รักษาศีลห้าได้อย่างดีอาจจะมีเมียมากหน่อยตามฐานะของพระราชาแต่ว่าก็จะไม่มีสงครามที่จะไปรบราฆ่าฟันกัน เพราะว่าเนนจะเป็นการปิดศีลน จ, จะมีการเถียงกันด่ากันว่ากันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่อย่างน้อยก็ยังรักษาศีน่าได้ดีอยู่ศีน่านี่อาจจะยังรักษาสัมมาสังกปะไม่ได้แต่ว่าก็ยังรักษาศีน่าได้อยู่ทีนี้นไม่ใช่แค่พระราชาทีนี้เอาทุกคนในโลกเลยทุกคนในโลกเลยทุกคนในโลกเลยที่สามารถที่จะรักษาศีน่าได้ทุกคนในโลกเลยที่ สามารถจะรักษาการณียกิจของตนเองได้พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของการณียกิจคือการค้าขายห้าประเภทที่ไม่ควรทำอันนี้คือเป็นอะการณียกิจอ่ะการณียกิจคือสิ่งที่ไม่ควรทำส่วนการณียกิจคือการค้าขายที่ควรทำเนี่ยในความเป็นกรวาดเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างคือการไม่ค้าขาย เนื้อสัตว์สองไม่ค้าขายสัตว์เป็น 3. ไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายน้ำเมาแล้วก็ไม่ค้าขายอาบุตรโดยทั้งหมดมีอยู่ห้าอย่างถ้าสมมติว่า ท, ทุกคนในโลกจะสามารถรักษาศี่ห้าได้อันนี้โรงค้าสัตว์นี้ไม่มีแน่นอนแล้วยิ่งถ้ารักษาการเงินกิจทั้งหข้อนี้ได้การที่จะมีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อค่า การที่จะมามีเขียงหมูขายหมูพวกนี้จะไม่มีเลยทุกคนในโลกนี้ก็จะรับประทานอาหารที่ไม่มีการเบียดเบียนสัตว์ที่จะมาต้องการให้จินตนาการโลกแบบนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่านี่คือคําสอนของพุท ธ, ธะมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นพุทธบทด้วยมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งถ้าพระพุทธเจ้าสอนคําสอนของท่านเป็นนาการลิโกเนี่ยนี่คือโลกที่ท่านจินตนาการ นี่คือโลกที่มันมีวิสัยทัศน์ในการที่จะให้เป็นไปอย่างนั้นทีนี้เอ้าแล้วทําไมมันเป็นไปอย่างนี้แต่เพราะว่ามันมีระดับขั้นตอนของความบริสุทธิ์อยู่อย่างซีนห้าเนี่ยที่เป็นปกติเนี่ยก็คือไม่ฆ่าเองในการไม่ฆ่าเองนี่ก็เป็นระดับ1นึ่นะระดับที่1คือตัวเองลงมือทำเองทีนี้ตัวเองอาจจะไม่ได้ลงมือทําเองแต่ว่าสั่งให้เขาทํานำะนี้คือระดับที่สอง สั่งให้ทำแต่คือตัวเองอาจจะไม่ได้ผิดศีลเองแต่ว่าสั่งให้คนอื่นเขาไปทำผิดอย่างนี้อันนี้คือในระดับที่สองแล้วก็ในระดับที่สามคือการชักชวนให้ทำแต่การชักชวนเนี่ยต่างกับการสั่งตรงที่ว่าในสมัยก่อ น, นเขาก็จะมีกเรียกเป็นทาสหรือว่าคนรับใช้หรือว่าพวกราชบุรุษเนี่ยพระราชาก็จะมีอนานาจในการสั่งการได้ คุณจะมาผิดคําสั่งไม่ได้นี่ยคือคุณบังคับเขาได้แต่มันไม่เหมือนกับเป็นลูกจ้างอย่างนี้คือลูกจ้างเนี่ยถ้าคุณไม่ทําคุณก็ลาออกใช่ไหมมันก็ยังได้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยมีระบบทาดมีระบบราชบุรุษแต่พูดง่ายๆคือมีวินัยของทางราชการเขาที่คุณจะต้องทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาสั่งไงก็ต้องทําอย่างนั้นอันนี้คือจะมีขั้นตอนที่สองว่าสั่ง ส่วนในขตอนที่3นี่คือการชักชวนให้ทําการชักชวนให้ทำเนี่ยจะมาในหลายๆรูปแบบได้เช่นคุณมีศรัทธานในคนนี้เลาก็ชักชวนให้คุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะทําเราก็ต้องเป็นกรรมของเราเองเป็นการกระทำของเราเองนะเช่นคําว่ามานมาดนใจอย่างเงี้ยมารเนี่ยก็ไม่ได้สั่งเราใช่ไหมแต่มานมันดนใจเราลักษณะาการดนใจเนี่ยด้วยมานก็ตามหรือด้วยเทวดาก็ตาม ก็คือจะมีการชักชวนให้ทําอาจจะมีเสียงมากระซิบในข้างหูว่าทำอย่างนี้สิหรือว่าให้ทําอย่างนั้นสิอย่าทําอย่างนี้เลยอันนี้เป็นลักษณะของมารหรือเทวดาที่มาในรูปพิสังขันมารบ้างมาในรูปของเทวบุตรมารบ้างอันนี้จะมีอยู่นะคือบางทีจิตใจด้านไฟต่ำในใจของเราจะบอกว่ากินสิทํำสิไอความชั่วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของมารที่มีการชักชวนให้ทํา ทนในการชักชวนให้ทำเนี่ยได้กรรมแน่นอนในกรณีของท่านพระมหาโมกขลนะเคยเกิดเป็นตูสีมานไปดนใจชาวบ้านเน่มีสองกลุ่มดนใจกลุ่มแรกให้มายกยอปอปั้นเอาอาหารไปถวายภิกษุนีพวกนี้ไปสวรรค์บุคคลที่ทําแบบนี้ทำตามที่มานดนใจเนี่ยไปสวรรค์ส่วนบุคคลที่กลุ่มที่สอง ที่ถูสีมาะไปโดนใจให้ด่าทอนะเสียเสียหายหายพูดไม่ดีนินทารับหลังพวกนี้ก็ไปตกนรกนะนี้โดนใจนะแต่ไอคนที่ทำเนี่ยได้รับผลกรรมไปด้วยจะดีหรือไม่ดีก็ตามทีนี้ในการที่ชักชวนให้ทำํำนะถูสีมาะนี่ก็ได้รับกรรมของตนไปในส่วนที่เป็นบาปก็รับไปคําว่าชักชวนให้ทำนี้ยังมีรายละเอียดยตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล นี่คงอาจจะเคยดีอดินที่อาจมาเล่าให้ฟังว่ามีภิกษกุก็ไปบินบาดในบ้านของโยมอุปถาคโยมอุปถาคมีวัวเลี้ยงอยู่หลายตัวมันเพิ่งคลอดลูกตัวหนึ่งออกมาเป็นวัวแดงภนะิกษุนี้ก็ไปดูใกล้ๆจ้องมองดูลูกวัวที่มีหนังสีแดงของมันเนี่ย เพิ่งคลอดออกมาหนังมันก็ยังไม่เปื้อนไม่อะไรยังมีสีแจม่มใสชัดเจนอยู่เนี่ยไปจ้องมองดูแบบเพ่งดูเลยอย่างเงี้ยนะโยมคนนี้เขก็ถามว่าอา้าวท่านมองดูลูกวัวตัวนี้ทำไมพระองค์นี้ก็บอกว่าอืฉันต้องการหนังมันนายโยมคนนี้ได้ฟังพระภิกษุรูปนี้ว่ายอย่างนี้เนี่ยก็เลยผูกขาวัวจ้ะนั่นคือ เรื่องในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาเล่าสั้นๆย่อๆนะเขาก็เล่าแค่ว่าก็เลยจากการฆ่าวัวตัวนั้นแล้วก็ถลกหนังแล่หนังออกให้พระภิกษุรูปนั้นนี่คือเขาพูดสั้น ๆ, ๆย่อๆในวินัยปิฎกแต่จริงๆขั้นตอนจริงๆเนี่ยโยมคนนั้นเขาก็จะต้องผูกขาของเจ้าลูกวัวนี้ซะก่อนจะไปผูกขาสี่ขาให้มันแบบแบะลงไปใช่ไหมเราก็ต้องเอาค้อนตีหัวมันอึ้กขึ้นมา ให้มันมึนให้มันไม่ดิน้นให้มันไม่มีแรงแล้วก็เอามีดเนี่ยสไลซ์ปาดเข้าไปในคอนในระหว่างที่ปลายเข้าไปในคอเนี่ยก็ต้องผ่านหนังของมันก่อนหนังมันต้องขาดก่อนทีนี้หนังวัวมันก็ต้องหนาใช่ไหมมันก็ต้องมีส่วนที่เป็นสีแดงแดงตามหนังของมันแล้วก็ไปส่วนหนังที่มันยังไม่มีสีเป็นสีขาวขาวแล้วก็เข้าไปถึงเนื้อที่เริ่มมีสีแดงแดงเป็นเลือดแล้ว พอเข้าไปถึงผ่านหนังผ่านเนื้อเข้าไปถึงเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเลือดซึมๆออกมาจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นหลอดลมมันก็จะมีเสียงวืดๆืออกมาฟูดฟูดออกมาเน่เพราะว่าหลอดลมขาดใช่จนกระทั่งถึงจุดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กมันก็จะมีเลือดซึมๆออกมาเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ผ่าน้าไปผ่านก็ไปเนี่ยแลกเข้าไปสไลด์เข้าไปเนี่ย ถึงจุดที่เป็นเส้นเลือใหญ่มันก็เลือกก็กระฉุดปี้ดออกมาอย่างเงี้ยจก้กระทั้งไปสุดจบอยู่ที่กระดูกคอของมันนะวัวตัวนี้ก็ตายแน่นอนรู้วัวตัวนี้เสร็จแล้วโยมคนนี้เขาก็ถลกหนังออกนะแล่นังออกตัวนั้นเลยพระนี่ก็ไม่รู้ไปยืนอยู่ตรงไหนล่ะอาจจะยืนอยู่ตรงนั้นนะดูว่ามันเป็นยังไงอาจจะถ้าดูไม่ได้อาจจะหันหลังให้ใช่ไหมหันหลังให้ ก็ต้องได้ยินเสียงแหละโอโอได้ยินเสียงวืดวืดของลมที่มันผ่านออกมาจากคอมันตอนที่มีดตัดเข้าไปแล้วอาจจะต้องได้ยินเสียงเลือดที่มันกระฉุดออกมาปี๊ดปดีออกมาจะต้องได้ยินเสียงที่มันดิ้นมันกรวนคลางมันร้องอันนี้แน่นอนแต่ถ้าเขาแบบทนได้ยินเสียงไม่ได้เนี่ยอาจจะหลบไปเดินไปไกลๆหน่อยเพื่อไม่ได้ให้เห็นภาพ ที่มันน่าอุจารตากันนั้นเราก็ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยหลบไปไกลหน่อยแต่ว่าวัวก็ตายอยู่ดีต่อให้เราไม่เห็นแต่คือเขาทํากันในโรงฆ่าสัตว์ที่มีผนังปิดเรียบร้อยมีเครื่องกันเสียงทําอยู่ข้างในคนไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ถ้ากําแพงของโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดในโลกนี้นะเป็นกําแพงแก้วเสียงผ่านได้เห็นภาพข้างในได้เนี่ย อันมั่นใจเลยว่ามันไม่มีคนที่มันจะมากินเนื้อหรอกเพราะว่าภาพที่เห็นนี่นมันอุจจารตามากมันดูไม่ได้เลยแต่อันนี้ถ้าบอกว่าด้วยอํานาจของปากนี่ก็บ้าไปอย่างนึงนะแต่ได้เห็นภาพนี้อยู่เป็นประจําแล้วเนี่ยแม่มันจะทําให้เกิดการแบบเบื่อให้เกิดการมีเมตตากับมันเดี๋ยวนี้พอโยมคนนี้เขาแล่หนังออกแล้ว เอาหนังเนี่ยห่อพับไว้อย่างดีรพระบภิกษุรูปนี้รับมาแล้วก็ห่อใส่ผ้าสังฆติของตัวเองแม่วัวก็เดินตามภิกษุรูปนี้มาด้วยความคิดถึงลูกของมันแม่วัวทุกตัวจัดทุกประเภทอมีลูกออกมาแล้วก็รักลูกของมันธรร ม, มาดาในอุตสาหกรรมนมเขาก็จะต้องพากแม่พากลูก เพื่อที่จะเอาจับแม่มารีดนมลูกเนี่ยไม่ได้กินนมแม่หรอกจะบอกให้เกิดมาพุ๊บเนี่ยออกจากแยกจากกันทันทีแล้วเราจะขโมยนมของแม่วัวมาเพื่อให้ตัวเรากินอันนี้เป็นไปนงี้อุตาหกรรมเป็นงี้เขาจะต้อง maximize profit แล้วก็ทำ cost ให้มันต่ำตถ้าจะเอานมวัวไปเลี้ยงลูกวัวมันก็จะสูญเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่าง ใช่ไหมไก็เอาลูกวัวไปฆ่าซะก็จึงมีเนื้อลูกวัวออกมากินและขายได้ราคาดีนมแม่มันก็คโมยมาให้เรากินเดีนี้แม่วัวรักลูกเนี่ยน้ําตาไหลด้วยนะแล้วก็เดินตามพระภิกษุรูปนี้มาพอมาถึงวัดพระต่างๆก็ตามวาเอา้าทําไมบัวตัวนี้เดินตามท่านมาพระองค์นี้ก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ตามมาทําไม ในมือนี่ก็ถือผ้าสังกะิที่หอนหนังโลกวัวโดนนี้อยู่แต่นั้นๆนั้นเลือดก็ซึมออกมาจากผ้าสังกะิเรื่องก็จึงแดงขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้คํานี้บอกว่าทําไมเธอชักชวนให้คหนอื่นเขาเขาฆ่ า, าแต่การชักชวนเนี้ไม่ดีแล้วก็สั่งห้ามการใช้เครื่องหนังภายหลังมีข้อยกเว้นบ้างนะตัวนี้เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้กันแต่เพราะว่าการชักชวนให้คหนอื่นเขาทํากรรมชั่วเห็นป่านนี้ นะคือชักชวนสั่งไม้ไม่ได้สั่งทําเองไหมไม่ได้ทําแต่ว่าชักชวนให้เขาทำแต่เพราะว่าเขาต้องการบุญไงเขาต้องการอุปถัมภ์พระเขาต้องการที่จะได้บุญได้กุศลเอาแต่ว่าดันชักชวนไปในทางฆ่าสัตว์อย่างนี้การชักชวนนี้มาในหลายรูปแบบแต่การที่เราเอาเงินไปซื้อเนี่แหละเป็นการชักชวนแน่นอนนําไปสร้างดีมารในตลาดในอย่างแม่ค้าเนี่ยเขาจะสั่งไก่มาจาก โรงค่าสัตว์หรือสั่งไก่ซีพมาขายเงี้ยหรือสั่งหมูมาจากโรงค่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนแล้วว่าไอ้อธิตย์ทล้วมันขายได้เท่าไหร่พอเป็นขายได้เท่าไหร่เนี่ยอาทิตย์นี้เราอาจจะสั่งมาเออหน้าเทศกาลอาจจะสั่งเปลือซะหน่อยนึงเ อ, อนี่วันหยุดไ อ, อ้ะคุณอาจจะไม่อยู่งั้นสั่งน้อยลงซะหน่อยนึงเขาก็จะดูจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไอ้สัปดาห์ที่รล้วที่เราไปซื้อหมูหรือซื้อไก่มานี่ยอันนี้เป็นการสร้างดีมาเพื่อให้ ประมาณการว่าเออเขาจะสั่งมาเท่าไหร่ในสัปดาห์ต่อไปอันนี้คือการชักชวนเลยนะเพราะถ้ามันมีดีมาห์อยู่ในตลาดปุ๊บเนี่ยดีมาห์ น, นี้มันจะเข้าไปอยู่ในใจของคนขายและคนซื้อถูกหมไอ้แม่ค้าที่ขายเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อมาต่อใช่ซึ่งการซื้อการขายเนี่ยเป็นอกรเนียกิจอยู่แล้วนะเป็นอกรเียกิจทั้งเนื้อดิบทั้งสัตว์เป็นเป็นอักรเนียกิจอยู่แล้วคือกิจที่ไม่ควรทำเป็นกิจที่ไม่ควรทา เพราะนั้นการที่ไปซื้อหมามาจากตลาดอย่างเงี้ยแล้วมันเลี้ยงนี่นะไปสวนจุจักซื้อสัตว์นั้นสัตว์นี้มาเลี้ยงเนี่ยอันนี้ก็ผิดเหมือนกันอันนี้ไม่ควรทําเป็นอาชีพที่เป็นอกักตรนิยรกิจเหมือนกันแต่เพราะนั้นพวกขายอาหารเนี่ยที่ถ้ายังมีเนื้อสัตว์คุณอาจจะไม่ได้ขายหมูแบบเต็มเต็มเลยนะเนื้อหมูเต็มเตมเนี่ยแต่ว่าซื้อหมูมาทํำข้าวผัดหมูอย่างเงี้ยแล้วขายข้าวผัดหมูเนี่ยอันนี้มันก็เข้าขายอากักตรนิยรกิจ คุณอาจจะไม่ได้ไปคนขายข้าวผัดหมูแต่คุณซื้อข้าวผัดหมูเนี่ยมาให้ลูกกินมาให้หลานกินแต่ฉันไม่ได้ทํำด้วยนะฉันไม่ได้ผัดเองเนี่ยนะไปซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็ได้รับส่วนของอัคคเดเนียกิจอันนี้คือมันก็มากน้อยตามลําดับในการห่างออกมาหาออกมานะนี่คือมัน supply chain ของเขาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะทำำนนําคําสอนเนี่ยที่ว่าพระเจ้าสอนเนี่ยให้มันแหมนเนียให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆเนี่ยนะ ก็ราทำได้ทั้งหมดตามกระบวนการนี้อย่างเดียดะมาว่ามาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอะตมาก็จะนั่งสมาธิซะก่อนทําจิตให้มองว่างไม่คิดอะไรแล้วก็มาระลึกถึงภายในกายว่าอากายเรายังมีอยู่นะกระดูกเป็นตรงนี้หัวอยู่ตรงนี้แขนขาไปตรงนี้ไล่ไปไล่ไปแล้วก็จะมานึกถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าตอนนี้ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ โอโ้ท่านปรินิพานไปนานแล้วเหลือยอยู่แต่คำสอนของท่านเอ๊ยยังมีพระธรรมอยู่หรือไม่คําสอนที่ยังบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโอ้โคําสอนนี้สูนายไปตั้งเยอะเหลือเท่าที่มีแต่ก็ยังมีอยู่เอ๊ยยังมีผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัตดิดีดีเลยเนี่ยมีอยู่หรือไม่โอโ้เราภิกษุผู้ที่ปฏิบัตดิดีผู้มีฤทธิ์มีความสามารถ มีทั้งยาณนาทัศนมีปัญญาที่แหลมคมพวกนั้นเนี่ยโอ้ไม่อยู่แล้วหายไปหมดแล้วเหลือแต่ภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามกำลังของตนของตนในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่บ้างเนี่ยเราเลิกถึงพระพุทธประธร ร, รมระสงค์แล้วเนี่ยก็คิดว่าตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้มันดีแต่เพราะฉะนั้นการกระทำสามระดับน่นคือทาเองสั่งให้เขาทาแล้วก็ชักชวนให้ทำเน อันนี้เราปรับมาในทางดีพอประชาชนได้เคยตรัสถึงเรื่องของมาร์กแปดเนี่ยว่าตัวเองทําเองนะเช่นมีสมาวาราตัวเองทําเองด้วยแล้วก็ชักชว น, ห น, ว น, นให้คนหนึ่งก็ทําด้วยอันนี้ก็ใช้คําว่าสมาเปติแต่ตัวเองทําเองแล้วดีแล้วเป็นคนดีแล้วชักชวนให้คนหนึ่งก็าทำเนี่ยดียิ่งกว่าดีแบบคนดียิ่งกว่าคนดีคนชั่วก็เหมือนกันนะเช่นถ้าตัวเองมีมิจฉากรรมตะหรือมิจฉาวาจาเนี่ยตัวเองทําเองด้วยนะ เราก็ชักชวนให้กูหนึ่งเขาทำกล่าวคุณสนบับสนุนในกะองไอาการมีมิจฉาวาจามิจฉากรรมันต์เนี่ยอันนี้เป็นคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทําเองเช่นเราไม่ได้มีมิจฉาวาจาเราไม่ได้มีมิจฉากรรมันตะแต่เรายังชักชวนนี้เขาทําอยู่ในชักชวนนี้ก็ไม่ได้เอ่ยปากด้วยนะไม่ได้เป็นการกระทําทางวาจาพูดออกมาแต่ก็ยังมีการกระทํำทางกายเช่นในกรณีของภิกษุนี้ไปจ้องมองเพ่งดู กลัวตัวนั้นเ่ยในกรณีของเราไป place demand ในตลาดอย่างนี้มันก็เป็นการชักชวนให้ทำแตมันก็จะมีกรณีที่ละเอีย ด, ยดไปก็มีหลายแบบแต่ละกรณีการกระทำมงคณจะชักชวนแบบไหนเราก็จะได้ส่วนบาปในส่วนๆนั้นมาตาม supply chain ตามกระแสของการกระทานี่แหละทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์นี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเออถ้า เจตนาละกันถ้าไม่เห็นว่าเขาฆ่าเจาะจงถ้าไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเจาะจงถ้าไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงแต่คือถ้าเขาฆ่าเจาะจงเนี่ยให้เราเนี่ยอันนี้คุณกินไม่ได้ในนี้คือบัญญัติเติมเติมมาในภายหลังแต่ถ้าจะให้หละเอียดขึ้นไปก็รวมของใช้ด้วยถ้าเขาฆ่าเจาะจงมาเพื่อให้เราใช้เห็นเต็มตาเลยเงี้ย ถ้ามีบัญญัติข้อนี้ก่อนภิกษุรูปนั้นเขาก็รับไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าค่าเจาะจงให้กับพระในการใช้ของแต่ที่เฉพาะเจาะจงออกมานะคือเรื่องของกินการกินไม่ได้เรื่องของการใช้สิ่งของที่เกิดจากสัตว์ของนันทีนี้ถ้าเราจะทําให้มันละเอียดแตเราก็ทําให้มันดีขึ้นไปอีกคือไม่ใช่แค่กินแต่รวมถึงการใช้ของด้วยทีนี้อุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อค่า น, นนี้คือเป็นอุตสาหกรรมที่มีในสมัยปัจจุบันบันทึกของหลงจีนฟาเหียนเนี่ย ที่เขาไปอินเดียเมื่อประมาณสักสอสมรยปีหลังจากยุคปุตตการเนี่ยเขาก็บันทึกว่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าไม่มีนะแล้วก็คนชั้นสูงเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์การกินเนื้อสัตว์นี้มีแต่เฉพาะคนชั้นต่ําที่ไม่มีเรือสวนไร่นาทําทการเกษตรไม่ได้จึงต้องเข้าป่าไปจับอะไรมากินได้ก็กินอย่างเงี้ยเป็นคนชั้นต่ําเขาจะทํากัน แว่าคนชนสูงมีเรื่องสวนไร่นามีคนทำนาทำข้าวให้กินเนี่ยปลูกผักปลูกไรเนี่ยเขาก็ไม่ทำการเปลี่ยนเบียนตรงนั้นทีนี้เรื่องในธรรมบทที่เราได้ยินใช่ไหมว่าคนขายหมูคนขายเนื้อพวกนี้อันนี้คือมีในหลา ย, ลายพันปีหลังแล้วห ล, หลายพันปีหลังเขาก็แต่งเรื่องขึ้นมาอันนี้เราจะรู้ดูได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องในสมัยพุทธกาลแน่แต่เป็นเรื่องที่แต่งเติมขึ้นมานเพื่อที่จะมาประกอบการอธิบาย เราแยากหลักฐานให้ชัดเจนทีนี้ในส่วน3ส่วนคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินใช่ไหมคุณก็ไปทําในโรงฆ่าสัตว์ที่มันมีกําแพงหนาแน่นแต่ว่าไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงเนี่ยมันไม่ได้เลยแต่เพราะว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ย ม, มันเลี้ยงมาเพื่อที่จะฆ่าเจาะจงเจาะจงอะไรเจาะจงดิมานในตลาดนี่แหละเจาะจงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนื้อที่เราไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยอย่าเอามาทําถวายพระเลยขอร้องเถิด ไม่ว่าจะพระที่ไหนก็ตามแล้ว น, นอกจากว่าเนื้อที่เรารู้ว่าเออมันตายเองหรือมันอุทิศตนเพื่อตายใ น, นประเด็นถัดมาที่พูดถึงเนื้อของพวกอิสลามเนี่ยที่เรียกว่าฮาลาฟู้ดเนี่ยฮาลาเนี่ยคือการลักษณะที่ตายโดยเชื่อคอแล้วก็ให้เลือดมันไหลออกจนตัวมันตายเนี่ยก็อธิบายว่าคือมันยอมตายเพื่อให้เรากินแต่คือเป็นลักษณะของเนื้อที่บริสุทธิ์เขายอมตายเพื่อให้เรากิน ซึงสมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไงคือกุจับมันมัดอย่างแน่นเลยแล้วก็ปาดคอมันแล้วก็เลยให้มันไหลออกมาจนกระทั่งมันตายไปเองเงี้ยระบอกอันนี้มันยอมตายมันไม่ใช่มันมันผิดจุดประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ของที่เขาเอามาให้กินเนี่ยมันก็ใครหาได้มาตรงไหนก็เอาตรงนั้นดังนั้นพระเนี่ที่บอกว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายคือเนื้อสัตว์ที่มันแบบตายเองแล้วเงี้ยเป็นศพสัตว์อ่ะ ก็ต้อเอามากินเนี่ยเขาให้นิ้กินกูก็ ก, กินน่ะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไงทีนี้ถ้าเป็นเนื้อเสือเหลืองเนื้อมนุษย์อันนี้พิเศษหน่อย10อย่างห้ามกินเนื้อหมีเนื้ออะไรพวกนี้เพราะว่ า, ามีคนมาติเตียนมันเป็น default เลยในสมัยนั้นเลยว่าเขาไม่เอาอาหารที่มีเนื้อสัตว์เนี่ยไปถวายพระที่ประเทศอังกฤษก็เป็นอย่างนี้พระที่อังกฤษที่วัดอะไรหลักของหลวงพ่อชายเนี่ยก็เป็นมังสวิรัติตอนแรกๆเรามาไปก็งงเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้น แต่พอมาศึกษาเพิ่มเติมเออจริงนะเป็นการที่ไม่เบียดเบียนกันจริงๆประเด็นคือตรงนี้ที่เรามีความคิดว่าไอ้มันต้องมีโปรตีนนะมันจะต้องมีเสริมสร้างกําลังกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะอันนี้คือเป็นเรื่องบูชิดจะบอกไงเพราะว่าคนขายมันต้องขายก็ใช่ไหมมันก็จึงพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาเพื่อที่จะให้มันขายได้แต่ว่าคนในสมัยก่อนเขาอยู่กันยังไงในแต่ลาเขากินไม่มีเนื้อสัตว์เลย ไม่ได้มีนมเลยไม่ได้มีไข่เลยโดยเฉพาะยิ่งพวกที่จะกู้โลกนะจากจุดที่มีสัตว์ทันตรกับในจุดที่มีสัตว์ันตรกับนะคือคนที่แบบฆ่ากันห่ำหันกันมองเห็นกันและกันเหมือนกับเนื้อกับปลานะเพื่อที่จะฆ่ามากินเนี่ยแห้งแรงมากแล้วทําการเกษตรก็ไม่ได้อาหารการกินก็ขาดแคลนเราก็กินกันนี่แหละฆ่ากันจุดนั้นมันจะมาถึงเกิดสัตว์ทันตรกับ มนุษย์มีอายุ10ปีจุดนั้นเนี่ยพอฆ่ากันเละเทะแล้วมีพวกที่หนีไปซ่อนตัวเนออกมาแล้วเจอเหตุการณ์นี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทําความดีต่อไปเขาพูดไว้เลยในอคัญยสูตรหรือว่าในจักรวัติสูตรนี่แหละเรื่องที่อรมาเคยเล่าให้ฟังนั่นพูดไปชัดเจนเลยว่าก็ตั้งใจในการที่จะทําความดีความดีข้อแรกเลยนี่เป็นบุตรบุบทด้วยที่ก็ตั้งใจจะทําเนี่ยคือการไม่ฆ่าสัตว์แต่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่มีการฆ่ามากินน่ยไม่มีเลยนะทำไงก็ปลูกพืชปลูกอะไรกินกันผมว่าฆ่ากันขนาดนี้ฉันรอดมาได้เนี่ยฉันไม่ฆ่าเลยไม่ทําเลยพวกนี้วีแค่แ น, น่นอนนะลูกของเขาออกมาเนี่ยอายุเกินรุ่นพ่อแม่หลานออกมาเนี่ยอายุเกินรุ่นลูกเลนออกมาเนี่ยอายุเกินรุ่นหลานเนี่เกินนี้ไม่ใช่เกินจำนวนนะเกินสองเท่าอย่างนี้พวกีอายุ10บขวบใช่ไหมรุ่นพ่อแม่ลูกออกมาอายุยี่ส อ้าวเฮ้ยทำไมเรามีอายุมากกว่าพ่อแม่นะโอ้พ่อแม่ทำความดีอย่างนี้มาเอาก็ทำความดีขคนนี้ต่อไปพวกนี้เป็นพวกกู้โลกนะกอบกู้โลกจากอากุศลธรรมแต่ไม่มีการกินเนื้อสัตว์แน่นอนยุคนั้นรวมถึงการเบียดเบียนสัตว์ในรูปแบบต่างๆก็มีแต่จะทำความดีให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะพ่อแม่ทำมาอาไม่ข้าเ ง, งี้นก็ไม่รักด้วยนตไม่ขโมยด้วยไม่พูดจาเสียดสี ไม่พูดจาส่อเสียดกันด้วยแลนะยุคขึ้นที่ขาขึ้นเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามาต ร, สรัสโรนะเพราะว่าทุกคนมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมกันได้เองการกักขังน่งเหนี่ยวคุณไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีแต่ทำให้มีบงคลคิดเออฉันจะไปอยู่ยุคพระศรีอานและทุกคนจะทําความดีแต่นามาจะบอกให้ว่าความดีนี้มีในคําสอนอยู่แล้วลองจินตนาการ ถ, ถึงโลกที่พระพุทธเจ้าได้ออกแบบไว้ดีไซน์ไว้มันจะเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเจริญกันที่สุดแล้ว แล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะกุศลธรรมเจริญหนึ่งที่สุดเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรเนี่ยมาตรัสรู้แล้วก็บอกทางที่จะหลุดพ้นนาไปสู่นิพพานได้คนทําความดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังหลุดพ้นไม่ได้ก็จะบอกเรื่องอนัตตาแต่แน่นอนธรรมะข้า ง, ง, ง, ง, งมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเมตยานี่จะไม่ได้บอกคําสอนไว้มากจะไม่ได้มีการบัญญัติวินัยเอาก็ไม่มีคนทำผิดนี่เนาะจะไม่ได้มีการบัญญัติพระธรรมไว้ม า, ากทุกคนก็นกทําความดีกันหมดนี่เนาะ กพูดเรื่องความไม่เที่ยงเป็นอนัตตานิพพานแค่เนี้ยจบละและทุกคนก็ดีกันหมดไม่ได้จะบอกคําสอนไว้อย่างละเอียดมากมายเหมือนพระสมณโคดมพระสมณะโคดมนี้เกิดมาในยุคที่ตามแล้วแล้วก็ต้องมีการบอกสอนไว้มากมายต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ให้คําสอนนี้อยู่ได้นานเพื่อที่จะได้ทวนกระแสเราไม่ต้องรอถึงยุคพระศรีอานเราทําตอนนี้ได้เลยเราต้องการเห็นโลกที่มันจะสวยงามสดสวย ตามวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราในที่บานบานมาตัตุลามาเองก็ไม่ได้ทําได้ละเอียดเรียบร้อยสวยงามดีเท่าไหร่แต่เราจะอาศัยเหตุนี้แหละเหตุนี้ที่เกิดขึ้นในการที่จะทําให้มันดีให้มันเนี้ยบผิด พ, พลาดอะไรผ่านมาไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่จากนี้ไปเราทําให้ดีให้ทุกๆเช้าเราระลึกถึงจุดนี้จินตนาการโลกที่เป็นแบบที่พระพุทธเจ้า ต้องการให้เป็นฝึกในการที่จะไม่ตามใจปากเราทุกครั้งที่เรากินน่ะเราคิดดูสิอาณารสมัยเป็นคารวาเนี่ยจาภาพนี้ได้ติดตาเลยตื่นมาใสายสายวันอทิตย์เนี่ยเสร็จแล้วก็บิก๊กกี้สักสามสี่รอบเสร็จแล้วก็ยังไม่แปรงฟงแปรงฟันอะไรอะ่ะเจ็บเปากก่นวันนี้จะกินอะไรมันคิดแบงนี้เออวันนี้จะไปกินบั ก, กุเตอัน้ต้อโทรนัดคนนั้นนัดคนนี้เสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกไป กินบากุเต่เงี้ยเอออร่อยดีวะเออเจ้านี้ไม่อร่อยวะสู้เจ้านั้นไม่ได้แล้วก็พูดไปแต่เรื่องปากท้องแล้วเราจะสั่งเนื้อหรือนมมากินเนี่ยมันก็จะมีแค่ว่าเออมันอร่อยดีนะอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่2คือมันจําเป็นนะต้องมีโปรโตุ่งโปรตีนนะมันก็ธรรมดานะคนหน่งเขาก็กินกันในที่แบบมันธรรมดานะมันจําเป็นนะมันก็อร่อยนะตอนนี้ถ้าเราเอาความอร่อยเนี่ยไปได้ใช่ไหม อันนี้เราจะอยู่ง่ายมากขึ้นแล้วนะข้อที่หนึ่งก็อที่สองที่ว่ามันจําเป็นนะอันนี้เป็นการหลอกลวงของพวกที่จะขายของอยู่แล้วแต่จริงๆมันไม่จําเป็นไอ้ที่ว่าจําเป็นจําเป็นเนี่ยในภาคมันก็มีแล้วที่ว่ามันธรรมดานะคุณหนึ่งเขกินกันเนี่ยถ้ามันธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนไว้เพื่ออะไรในการใ ช, ช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันไม่ใช่เรื่องธรรมดาการไม่เบียดเบียนกันต่างหากนี่สิเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เราควรจะทํากัน อย่าให้จิตใจขอเราไปตามปากว่ามันอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้โอ๊ยร่างกาย ร, รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องหาหนี่มากินอยู่หยุดยุดยุดเพราะว่านั่นเป็ น, เ ป, นเป็นตามความอยากถ้าเราทําตามความอยากความอยากจะมีกําลังขึ้นมาเราอย่าทําตามความอยากบางทีเรื่องที่ถูกเนี่ยไม่ได้ทําได้ง่ายๆแต่เรื่องที่ไม่ถูกบางทีมันทําได้ง่ายๆนะเราจะสั่งนี่มากินใหม่มันง่ายเหลือเกินแต่มันอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่เรื่องที่ถูก ที่ดีบางทีมันไม่ง่ายในการจี้จักรธรรมจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งมันไม่ง่ายนะทําสิ่งที่คนทําได้ยากพอดีเราต้องมีอุปสรรคปัญหานนี้ธรรมดาแต่เพราอุปสรรคปัญหาพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นดีมากขึ้นอย่างคารวาสอะไรเงี้ยเขาก็จะมามีปฏิสัมพันธ์กันบนโต๊ะอาหารถูกปะ่ะเออกินกันแบ่งกัน นถึงจะแบบผูกมิตรสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างบนโต๊ะอาหารแล้วก็คุยกันนั้นเออนี่ฉันทําอันนี้มาให้เธอกินเธอลองกินสิถ้าไม่กินเดี่ยมันจะมีปัญหากันล่ะถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยแล้วพระก็จะมามีปฏิสัมพันธ์กันยังไงเพราะแต่ละคนก็แต่ละกินอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เฉพาะเรื่องนั้นอย่างเดียวไงไม่ใช่เฉพาะเรื่องกินอย่างเดียวที่เราจะมามีปฏิสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์ได้เราจึงจะต้องมีครีเอทีฟตรงนี้ มีพวกวีแก่ลหลายๆคนแต่เขาก็เคยพูดเคยเล่าให้ฟังแต่นะว่าคุณป้าเนี่ยโอ้โหมีสูตรลาซัญญาอย่างดีเลยลาซัญญาเนื้อแหมมันสุดยอดมากถ้าไม่กินนิ่มมันจะทําให้เขา offended มันจะทำให้เขาไม่พอใจเอาทําไมของฉันมันผิดตรงไหนเนี่ยทําไมเธอไม่กิน เ, เดี๋ยวจะมีปัญหากันเราก็เล่าให้ฟังถึงว่าอันนี้มันไม่ใช่กิจกรรมเดียวแต่เรากลับมาดูที่ในทางคําสอนของรพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเรื่องสังขาวัตถุสี ยเรื่องสารณิยธรรมหกเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องกินเลยนะมันไม่ได้มีเรื่องกินอย่างสังขารวัตุ้วเราจะสงเคราะห์เขาเนี่ยเออพูดจากันดีๆไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่ได้เน็บเข้าด้วยคําพูดนะคือหอกคือปากเนี่ยเน็บซึ้งลงไปแม้พูดจาหวานๆอยู่แต่มันคมมันซึ้งลงไปในหัวใจเนี่ยบทีสะดุ้งเหมือนกันนะเราไม่พูดอย่างนั้นเราไม่พูดแกเขา พูดให้มีเมตตาอันนี้ก็เป็นสาระนิยธรรม6มีเมตตาวจีกรรมนะไปพบปะเจอเจอทําประโยชน์ให้กันก่อนหรือแทนที่จะชวนกันไปกินอย่างเงี้ยก็ชวนกันไปเล่นกีฬาชวนกันไปเป็นอาสาสมัครนะชวนกันมาทํากิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่แค่การกินนะมีต้องเยอะแยะตีแบตเล่นบาสวิ่งจักรยานนะไปช่วยคนชราไปช่วยเด็กกาพร้า มาวัดไปใส่บาตโอ้หลายอย่างอย่าไปจบที่ว่าเออบนโต๊อาหารเท่านั้นมันไม่จําเป็นหรือส่งการ์ดหรือโทรไปคุยก่อนแล้วมันมีหลายอย่างที่เราจะทําได้เดี๋ยไปมีข้อจํากัดเฉบาะเรื่องของการกินเรื่องของปากท้องมันสร้างนิสัยที่ไม่ดีอันนี้อรมาไม่ได้พูดถึงว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์มาทางวีแกนแล้วเนี่ยคุณจะหลุดพ้นได้เพราะจุดนี้อันนี้ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้น เนื่องจาในยุคที่จะเริ่มต้นของยุพระศรีอาณเนี่ยไล่มาตั้งแต่สัตว์ตันตระกับเนี่ยพวกนี้ก็ไม่มีการหลุดพ้นเนีไม่มีก็ทําไม่ได้จนกระทั่งต้องมีการพูดถึงเรื่องของการอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพวกนี้ถึงจะมีการหลุดพ้นได้แต่เรากําลังพูดถึงประเด็นที่ว่าในคําสอนของพุทธะเนี่ยมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งคนไม่ได้จะบริสุทธิ์เพราะว่าการบริโภคอาหาร แต่ว่าเพราะว่าจิตใจที่เราทําดีนั้นไล่มาตั้งแต่การไม่เบียดเบียนไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาไปแต่ประเั้นเราทําให้มันมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในเรื่องนี้แต่แล้วถ้าเพื่อรวมถึงเรื่องของสุขภาพเข้าไปนั่นก็จะต้องรวมถึงเรื่องโปรเซสฟู้ดทุกอย่างรวมถึงเรื่องน้ําตาลด้วยรวมถึงเรื่องเครื่องปรุงด้วยแต่เครื่องปรุงถ้าจะใส่มากก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ถูกต้อง น้ำตาลหรือ processed food ทุกอย่างในขนมปังแป้งอะไรอะไรพวกนี้ที่มัน p r o c e s s มามากเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพด้วยอันนี้ก็ต้องงดด้วยแต่เพราะฉนั้นเรามีเหตุปัจจัยกันพร้อมแล้ว 1. นึ่งในเรื่องของสุขภาพาเราไปตรวจมาเจอข้อมูลต่างๆอันนี้เหตุปัจจัยเราพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เรามีอยู่ในกายเนี่ยมันเพียงพอแล้วอาตมานี่ยยังไม่ได้เจ็บไม่ป่วย เหมือนพวกลูกศิษย์นะยังไม่ได้เป็นเบาหวานยังไม่ได้เป็นโรคหัวใจยังไม่ได้เป็นอะไรเหตุปัจจัยเรื่องนี้อาลมาจะยังไม่มีแต่ว่าพวกเธอมีแล้วเหตุปัจจัยเรื่องของความศรัทธาเราก็มีแล้วเหตุปัจจัยเรื่องของความรู้เราก็รู้แล้วเรามีเหตุปัจปจัยพร้อมแล้วเหตุปัจจัยในเรื่องของทางออกเกี่ยวกับสังคมเรารู้รับประบุชาบัญญัติสังฆวัตถุศีรษนิยธรรมหมันไม่ใช่จบที่บนโตอาหารเท่า น, นั้นกิจกรรมอย่างอื่นเยอะแยะ เรามีทางออกแล้วเรามีพร้อมแล้วทุกอย่างเราสามารถทําได้แน่นอนให้ทุกคนตั้งใจในการทําในการปฏิบัติ น, นบททดสอบ ม, มีมาแ น, น่นอนอีกสองวันเดอมาจะต้องเดินตามไปกับหลวงพ่ออย่างเงี้ยมีร้านไก่ย่างแม่ระเบียบอะไรทีนี้เขานิ ม, มนต์เอาไว้เยจะไปฉันอาหารที่นั่นจะเอาตัวรอดอยังไงอ น, นี้ต้องมาดูกั น, นส้มตํามันก็กินได้แล้วไม่มีปัญหาทีนี้ที่ตำที่สุดเลยที่ตาที่สุดเลยคือเนื้อสัตว์อออกให้หมดคือนมไข่เอาออกให้หมด อันนี้คือที่ต่ําที่สุดนะดีขึ้นมาอีกนะความเป็นอยู่ของเราเครื่องหนังเราเลิกใช้อะไรที่เรามีเราขายทิ้งซะหรือให้คนอื่นไปขายเอาเงินมาบริจาควัดซะหรืออะไรที่มันเป็นเครื่องหนังขนสัตว์น้ำผึ้งแต่น้ำผึ้งสมัยนี้โอ้ยปลอมเยอะแยะคือปลอมมันมีมากกว่าจริงอะนะแล้วก็ไอ้ที่เลี้ยงมาเพื่ อ, อที่จะมาทําน้ำผึ้งเนี่ยอันนี้เราก็ไม่กินแต่แต่ถ้าเป็นน้ํำผึ้งอย่างที่ ลิงก็ามาถวายพระพุทธเจ้าอ่ะที่มันรังพึ่งที่มันไม่มีตัวพึ่งแล้วเออนี่คือคือมันมันไปแล้วแต่มันยังมีน้ําพึ่งอยู่ในรังของมันอยู่เงี้ยเออนี่มันกินได้มันก็เหมือนกับสัตว์ที่ตายเองเอันนี้คือขั้นตอนที่2เพิ่มขึ้นมาแตนะ่ขั้นตอนที่3มที่เพิ่มขึ้นไปอีกนั่นะก็คือพวกปรอเซ s ฟู o ดทุกอย่างพวกซีซันนิ่งทุกอย่างเราเอาออกไปให้หมดในเบื้องต้นนี้อาจจะยังมีแป้งมีอะไรก็ใส่ไปใช่ไหมอาจจะติดรสชาติบ้างก็ใส่ซีซันนิ่งไปใช่ไหม ทีพอเราทำดีขึ้นแล้วเราก็เอาพวก p r o c e s s food อื่นๆพวกซีซิ่งอื่นๆออกไปแในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนที่4ี่ที่ทําให้มันดีขึ้นอีกก็คือกินรอดเลยรอดเนี่ยิ่งง่ายกว่าขั้นที่1หรือขั้นที่2ด้วยซ้าในความเป็นธรรมานะเพราะอย่างปลาอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วผักกับผลไม้แต่ต่ออาจจะลูกมานิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ผลไม้เนี่ยกับผักสดเนี่ยเขามีทุกวันธรรมาบอกให้เขาสั่งมาทำทุกวันเพราะนั้นธรรมะมันก็จะเอาตัวรอดได้ตัวนี้ เราดูเหตุปัจจัยให้ดีในเน้นย้ำมีครั้งหนึ่งว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งและเราก็ไม่ได้ว่าจํากัดตัวเราอจะต้องเจเท่านั้นวีแกนเท่านั้นนะไม่มีไม่ได้อันนี้คุณก็จะยึดติดติดยึดเกินไปนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ยังกินเนื้อเนื้อนี้มาจากไหนไม่ได้เกิดจากการเบียดเบียนไง เป็นเนื้อที่เกิดจากการที่มันตายเองอย่างนี้เรากินได้แต่เราไม่ใช่ว่าจะต้องวีแคนเท่านั้นจะต้องเจเท่านั้นเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยหรือว่าเนื้อสัตว์ไม่ดีเลยไม่เจไม่ได้อันนี้นมันก็ยุติเกินไปอะไรที่ทำโดยไม่มีสติเราไม่มีทางเลือกอ่ะกินโดยไม่มีทางเลือกอันนี้มันมันไม่ถูกแต่เราเลือกที่จะกินได้เราเลือกที่จะใช้ได้เราเห็นพิจนารณาดูว่า อะไรมันกินแล้วมันจะเบียดเบียนอันนี้เราก็ไม่ทำํำอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสเดี๋ยวบางทีมันก็จะได้ช่องว่าออตรงนี้ไม่เบียดเบียนแหมแต่ตามใจปากมันก็ยังตกเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่ดีมีอีกเทคนิคงหนึ่งก่อนที่จะจบในวันนี้มาคัสเขาเคยอธิบายเอาไว้แต่ว่าอย่างเวลาที่เราไปกินอาหารนอกบ้านกับคนอื่นอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงบางทีก็ต้องไปพบปะเ จ, เจอกันใช่ไหมทีนี้จะาบอกว่าเอาตัวรอดในลักษณะว่าช่วยไปทํากิจกรรมกันอย่างอื่น อย่างนี้มันก็ก็ดีแล้วถ้าจะมาจบลงด้วยการไปกินข้าวนะไปกินตามพรตะการเรามีทางออกตรงนี้ได้คือคนอื่นเขาก็สั่งอะไรเขาก็ตามใจเขาใช่ป่ะแล้วเรามาดูดูเมนูเนีเน่ยเราดูเมนูที่มันดีดเลยเอาแพงที่สุดไม่ได้ว่าจะไปหาเซกชันที่มันจะเป็น vegetarian หรือ vegan มันไม่มีหรอกประเทศไดยอะ่ะเราจะไปร้านที่เฉพาเจาะจงหรือไม่ก็เปิดร้านเองหรือไม่เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอ คนมัน reach critical mass เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเซ c t i o นนี้โผล่ขึ้นมาในทุกๆร้านอาหารแเดี๋ยวเนี้ยร้านอาหารในอังกฤษอย่างเงี้ยทุกร้านเลย ไ, ไม่ว่าจะอาหารจีนอาหารแครอาหารไทยจะมีเซ s e c นที่เรียกว่า vegan อยู่แตนะเพราะว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนอังกฤษเนี่ยที่เป็นช่วงอายุไม่ถึง 30-40 เนี่ยนะประมาณนี้เนี่ยเขาจะเป็น vegan อยู่ แล้วก็มีการทำวิจัยตรงนี้ทําให้ร้านอาหารก็ต้องปรับตัวเพราะมีจํานวนคนที่เป็นแบบนี้มากขึ้นและเมืองไทยเรามีจํานวนคนที่ถึงจุดนั้นเราก็สามารถที่จะไม่ร้านอาหารมีพวกนี้ได้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรร้านอาหารที่เขาเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ถ้ามันยังไม่มีเราเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงก่อนตัวนี้ทีนี้ในผู้ที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องต่อสู้บ้างเราไปร้านอาหารที่เขาไม่มีพวกนี้ขายเนี่ยเราจะตัวรอดยังไง เราก็ไปดูตรงเซกชันที่มันแพงที่สุดดีที่สุดขายเนื้อสเต็กใช่ไหมไนะหนมันมีสลัดอะไรเสริมมาด้วยแต่เราไปอ่านตรงนั้นถามเจ้าหน้าที่เขาดูเราก็เอาผักพวกนั้นน่ยมาสั่งให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้มันสบายมากนต่ไม่ใช่ว่าเราสั่งมากินของเราคนเดียวนะไม่ใช่เราสั่งมาเผื่อเพื่อนๆด้วยนี่หาทางออกตรงนี้เราก็สั่งให้เขางั้นทำข้าผัดเจ๊ชั้นสักอันหนึ่งละกันนะกินของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เลย เดี๋ยวเราก็สั่งอื่นมาแบ่งเพื่อนกินเดะสั่งมาสักสองอย่างใช่ไหมที่มันเป็นแบบเนี้เราต้องครีเอทีฟดูรายการอาหารเนี่ยเราให้มองทะลุไปถึงในครัวว่าเขาอะ่ะมีอะไรบ้างมีผักแบบไหนมีเครื่องปรุงอะไรเออเราให้เขาทําแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็สั่งมาสักสองจาน แ, แบ่งคนนั่นคนนี้กินนี่มันเอาตัวรอดอย่างนี้ก็ได้นี่เป็นเทคนิคที่เพิ่มเติมให้วันนี้ก็มีเท่านี้แหละเดีวเราให้เป็นผู้ที่ ตั้งใจทำความดีในส่วนนี้ทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวบอกว่าพระอาจารย์กินนันนี้พระอาจารย์ไม่กินนันนั้นอันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวบอกใครแต่เราก็ทำของเราล้าค่าว่าถ้าท่านจะกินหรอท่านไม่กินหรออันเนี้ยเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเราก็ทำใจของเราให้สบายโดยมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งแต่แล้าถ้าบอกว่าเขาจะถามว่าเออทาไมเธอทาอย่างนี้ล่ะ ทำไมเธอไม่เอาเนื้อสัตว์ล่ะทำไมเธอทำผลไม้ทำอะไรอย่างงี้นะเราก็บอกเหตุผลนี้เขาฟังนะว่าเออมีการไม่เบียดเบียนกันนะแค่นี้จบไม่ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่ากินเนื้อสัตว์โอ๊ยบางที่พูดแล้วมันไม่เก็ตใช่ะปะเอาแค่ว่าเออเราไม่เบียดเบียนใครจบละแล้วครูบาอาจารย์จะกินอะไรหรือไม่กินอะไรเราไม่ต้องไปพูดบอกให้ใครฟังอารามาจะตักยุอารามาจะไม่กินอาจจะทําฟอร์มดูดูเหมือนกินแต่ก็จะไม่กินนะ แล้วเราก็ชักชวนคนอด่นเนี่ยให้เอาสิ่งที่มันจะเป็นการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยไปถวายพระไดนะ้อาหารที่ถวายหลวงพ่อแต่คือหลวงพ่อท่านก็เป็นมายอย่างนี้เราจะไปถวายอะไรที่ท่านจะไม่กินเนี่ยเราก็อย่าไปถวายสิ่งนั้นนะเช่นถ้าทาผัดกะเพราเจยอย่างเงี้ยเออท่านอาจจะกินแต่ถ้าทำอะไรที่มันเจมากๆเลยของเจของจีนอย่างเงี้ย บางทีท่านก็ไม่รู้มันเป็นอะไรท่านก็ไม่กินอย่างเงี้ยอะไรที่ท่านจะกินอ่ะเช่นผลไม้อย่างเงี้ยทุเรียนเงาะหรือว่าอะไรที่มันเป็นผลไม้หรือผักอย่างเงี้ยเออนี่ท่านจัดแน่เราก็เอาประเภทเนี้ยมาถวายใหย้กุฎวาจานท์ให้พระเจ้าพระสงฆ์อื่นๆนะเพื่อที่จะรับประทานอาหารไทยอาหารที่สายมันง่ายอยู่แล้วที่ที่จะไม่มีเนื้อสัตว์มีเคื่องเยอะแยะที่มันเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาก็เลือกอาหารประเภทนี้นมา ทำแต่วเราก็กินด้วยเราก็สนับสนุนให้พระสงค์เป็นอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวมือนั้นเราเข้าใจหลักการให้ถูกต้องนะให้ช่วยกันเป็นอัศวินแต่ที่จะรักษาคำสอนของพระพทธเจตาให้มันละเอียดละออให้มันเรียบร้อยมากขึ้นเราเริ่มกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจริยพาน